ชนตาครวตตกะถาว่าด้วยวัดปฏิบัติในเรือนไฟสมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักขีถูกภิกษุผู้เถระทั้งหลายห้ามในเรือนไฟ ไม่เกรงใจใส่ฟืนมากติดไฟปิดประตูแล้วนั่งที่ประตูฝ่ายภิกษุผู้เถระถูกความร้อนแผดเผาจะออกก็ออกไม่ได้จึงเป็นลมสลบล้มลงบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษจึงตำหนิประนามโพลนทนาว่าฉะไหนพวกภิกษุฉับพักขี ถูกภิกษุผู้เถระทั้งหลายห้ามในเรือนไฟจึงไม่เกรงใจใส่ฟืนมากติดไฟปิดประตูแล้วนั่งที่ประตูเล่าฝ่ายภิกษุผู้เถระถูกความร้อนแผดเผาจะออกก็ออกไม่ได้จึงเป็นลมสลบล้มลงครั้งนั้นแหละภิกษุเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลําดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุฉับพักขีถูกภิกษุผู้เถระทั้งหลายห้ามในเรือนไฟไม่เกรงใจใส่ฝืนมากติดไฟปิดประตูแล้วนั่งเฝ้าที่ประตูภิกษุถูกความร้อนแผดเผาออกประตูไม่ได้ จึงเป็นลมสลบล้มลงจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกถารับสั่งกับพิกษุทั้งหลายว่าพิกษุทั้งหลายภิษุถูกพิษุผู้เถระห้ามในเรือนไฟจะใส่เฟินมากติดไฟโดยไม่เกรงใจไม่ได้ รูปใดใส่ต้องอาบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งภิกษุไม่พึงปิดประตูแล้วนั่งที่ประตูรูปใดนั่งต้องอาบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเราจะบัญญัติวัดในเรือนไฟแก่ภิกษุทั้งหลาย โดยที่พวกเธอต้องประพฤติ ช, ชอบในเรือนไฟพิกสุทั้งหลายพิกสุผู้ไปเรือนไฟก่อนถ้ามีเท่ามากพึงนาไปเททิ้งถ้าเรือนไฟรกพึงกวาดถ้าชาญภายนอกรกก็พึงกวา ด, ถ, าาากกวาดถ้าบริเวณรกก็พึงกวาดถ้าสุ้มประตูรกก็พึงกวาด ถ้าสาลาเรือนไฟรกก็พึงกวาดพึงบทจุรนไว้พึงแช่ดินพึงตักน้ำใส่ในรางไว้เมื่อจะเข้าไปเรือนไฟพึงเอาดินเหนียวทาหน้าปิดหน้าและหลังจึงเข้าเรือนไฟไม่พึงนั่งเบียดภิกษุผู้เถระทั้งหลายไม่กีดกันอาสนะภิกษุผู้นวกะทั้งหลาย ถ้าสามารถก็พึงบริกรรมภิกษุผู้เถระทั้งหลายในเรือนไฟเมื่อออกจากเรือนไฟพึงถือต่างสำหรับเรือนไฟปิดหน้าและหลังจึงออกจากเรือนไฟถ้าสามารถพึงทำบริกรรมภิกษุผู้เถระทั้งหลายในน้ำไม่พึงส่งน้ำข้างหน้าภิกษุผู้เถระทั้งหลายแม้เหนือน้ำก็ไม่พึงสง่ง เมื่อสงน้ำเสร็จกําลังจะขึ้นพึงให้ทางภิกษุทั้งหลายผู้จะลงสงภิกษุผู้ออกจากเรือนไฟภายหลังถ้าเรือนไฟเปเปื้อนพึงล้างให้สะอาดล้างรางแช่ดินเก็บตั้งสำหรับเรือนไฟดับไฟปิดประตูแล้วจึงพากันจากไปภิกษุทั้งหลายนี้คือวัดในเรือนไฟ สำหรับภิกษุทั้งหลายโดยที่ภิกษุทั้งหลายต้องประพฤติชอบในเรือนไฟ